สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนัรกทหรคนชอบเล่าวันนี้หมวดของเรื่องลี้ลับผมจะขอยกประสบการณ์ตรงของผมเรื่องที่สองมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่ผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่สเทอม2ผมจะมีแก๊งอยู่ในช่วงของปิดเทอมปิดเทอมเราจะรวมตัวกันแล้วก็ในคราวนั้นที่เจอเรื่องดีๆก็คือวันที่ผมไปรวมตัวกันที่บ้านเพื่อนสุราแห่งหนึ่ง แต่จะบอกไปมันอยู่ระหว่างนิด้าถึงศูนย์สยามสุราะจะอยู่ยื้องๆกับเขตรู้สึกจะซอยสองถ้าจำไม่ผิดเพื่อนผมมีชื่อว่านาดบ้านเขาจะเข้าไปประมาณสัก200เมตรอยู่ขวามือเป็นบ้านไม้ใต้ถุนบ้านก็จะเป็นแบบครองหรือว่าเป็นน้ําบ้านจะยกสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งมีบันไดขึ้นไปหน่อยหนึ่งขึ้นไปแล้วตัวบ้านจะเป็นสองชั้นเป็นบ้านไม้ด้านข้างก็จะมีไม้พาดข้างๆ จะมีบ้านญาติของเขาอยู่อีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของตาของเขาอยู่ด้านหลังตอนนั้นผมไปปาร์ตี้กันที่บ้านของเขาก็จะเรียกได้ว่าบังเอิญเป็นงานศพของตาเขาด้วยแหละแต่เขาเป็นมุสลิมพวกผมก็ไปโดยวิสัยของพวกผมก็คือไปรวมกลุ่มกันก็จะดื่มเหล้ากันวันนั้นเมื่อเสร็จสิ้นจากงานศพของตาเขาทําพิธีอะไรกันเสร็จแล้วพวกผมก็ดั่งดื่มเหล้ากันที่ชั้นล่างของบ้านข้างหน้าก็คือบ้านของเจ้านาสนี่แหละ คุยกันไปคุยกันมาได้ประมาณสี่ทุ่มกว่ า, วาด้วยดิสแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรก็ตามทําให้พวกเราคุยกันเรื่องผีทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่ในงานศพของตาเพื่อนนี่แหละก็ไม่มีใครกลัวกันผมก็ไม่ทราบนะแต่ตอนนั้นน่ะผมไม่กลัวเลยเพราะว่าเมาเรียกว่ากึุมๆลมคุยไปคุยมาเขาก็หันมาถามผมว่ากลัวผีไหมว่าคุยเรื่องผีกันเนี่ยด้วยปากดีของผมตอนนั้นผมเลยบอกว่าไม่กลัวหรอกผีอะถ้ามาดีจะเตะไม่ให้ไปเกิดเลย พูดและตอนนี้ยังรู้สึกเสียวกับคํานั้นอยู่เลยครับจนมะของไอ้นาดหันมาบอกว่ามึงมึงมึงปากดีเดี๋ยวคืนนี้มึงโดนดีแน่เลยผมก็ยังหัวเราะ อ, อยู่พวกเพื่อนก็ขำกันใหญ่ในกลุ่มของเรากินกันไปจนกระทั่งเที่ยงคืนดึกแล้วเล่าหมดพวกเราก็จะขึ้นไปนอนกันที่ชั้นสองซึ่งตอนขึ้นบันไดเนี่ยจะขึ้นไปปุ๊บจะเป็นที่พักแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปหน่อยนึงก็จะเจอกับชั้นสองมอเจอชั้นสองปุ๊บ เลี้ยวซ้ายมาหน่อยหนึ่งก็เจอประตูห้องมะแต่ตรงสุดทางที่เลี้ยวซ้ายไปก็จะเจอกับห้องของเจ้านาศซึ่งเป็นห้องใหญ่และเลี้ยวซ้ายไปอีกทีหนึ่งก็จะเป็นห้องของหลานของเจ้านาศข้างบนมี3ห้องนอนครับที่แบ่งกันไว้ผมก็นอนกันในห้องของเจ้านาศนั่นแหละเข้าไปในห้องก็กางมุ้งนอนกันมุ้งใหญ่มากมุ้งเนี่ยประมาณว่าเกือบจะได้ห้องนึงเลยนะเพราะว่านอนกัน78คนก็นอนกันไปคุยกันไปดับไฟคุยกันไปเรื่อยๆ คุยไปคุยมาพวกนั้นก็หลับกันไปทีละคนหลับไปทีละคนแต่ผมตอนนั้นรู้สึกว่าอาการเมาก็จะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่หลับนอนอยู่คนเดียวลืมตากริ้งไปกริ้งมาจนได้สักพักคิดในใจว่าทําไมตัวเองถึงไม่หลับสักทีเพื่อนๆมันหลับแล้วแต่ธรรมดาแล้วเพื่อนผมที่อยู่ข้างซ้ายมือผมเนี่ยที่นอนด้วยกันเขาจะเป็นคนนอนกลนแต่วันนั้นเขาไม่ยากจะกลนผมก็เลยคิดว่าเขาคงไม่น่าจะหลับสนิทหรอก และเมื่ออยู่เป็นนานๆนกับความเงียบคนเดียวนานๆผมก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังมาจากชั้นล่างของบ้านเจ้านานเสียงก็คือเสียงของคนเดินเนื่องจากบ้านเป็นบ้านไม้มันทําให้มันสะเทือนขึ้นมาได้ถึงด้านบนแต่ก็ถือว่าเป็นการเดินลงเท้าที่หนักอยู่ดังตุบตุบตุบตุบผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะรือว่ามะมะนี่ก็คือแม่ของเจ้านาศ น, น, นะครับเอ๊ะรือว่ามะ เขาลงไปเก็บอะไรให้เรียบร้อยหรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจนอนฟังอีกเสียงกระดังตุบตุบตุบมาตรงถึงทางที่จะขึ้นบันไดแล้วก็ก้าวขึ้นมาตุบตุบตุบสเต็ปเป็นอย่างนี้เลยผมก็นอนฟังเอ๊ะเอ๊ะทาไมมาเขาเดินช้าจังเลยแล้วเขาก็พักแล้วก็เดินขึ้นมาอีก เดินขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงชั้นสองเมื่อถึงชั้นสองผมก็คิดว่าเขาจะเดินเข้าห้องเขาแต่ไม่ใช่เขาเดินตรงมาทางห้องที่ผมนอนอยู่คือห้องของเจ้านาทตุบตุบตุบตุบเสียงเดินเนี่ยชัดมากเพราะว่าอยู่ในพื้นระดับเดียวกันคือชั้นสองเหมือนกันเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆจนมาหยุดที่หน้าห้องที่ผมนอนอยู่ประตูของเจ้านาทนั้นก็เป็นประตูไม้ก็ไม่ได้ล็อก เพราะว่าเราก็นอนกันอย่างนี้อยู่แล้วประจำเสียงเปิดประตูก็ดังออโอ้โหสาวตอนนั้นเหมือนหนังผีมากแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะผมก็คิดว่าสงสัยมจะจะราตรว ด, ดูความเรียบร้อยผมเลยกแกล้งหลับดีกว่าผมเลยนอนคว่าหน้าลงโดยเอาแขนทั้งสองข้างอ่ะหนุนศีรษะเอาไว้แล้วก็เหยียดขาตรงได้ยินเสียงเขาเดินเข้ามาตุบตุบตุบเดินช้ามากอย่างนี้เลย แล้วมาอยู่ตรงปลายเท้าผมเสียงถลกมุ้งก็ดังขึ้นผึบผับผึบผับผมก็ว่าเออสงสัยมะจะมาตรวจดูว่าเรานอนกันเรียบร้อยหรือเปล่าสักพักเขาเหยียบตรงปลายเท้าผมลองคิดดูนะครับว่าเวลาคนเรานอนควนะ่ำน่ะปลายเท้ามันก็จะเหมือนกับว่าเราหงายมือของตัวเองออกและเขาเหยียบตรงปลายเท้าตรงปลายนิ้วเลยทั้งสองข้างผมก็เข้าใจว่ามะคงจะแกล้งหรือเปล่าก็เฉยๆไว้และสักพัก เขาก็เหยียบขึ้นมาถึงน่องเสร็จทั้งสองข้างแล้วก็เหยียบขึ้นมาเรื่อยๆเลยเขาขึ้นมาตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรนะผมคิดอย่างเดียวว่าที่ทำไมมะเขาแกล้งเราหรือเปล่าวัเนี้ลืมคิดไปว่าด้วยน้ําหนักขนาดนั้นน่ะเราควรจะเจ็บแล้วควรจะปวดได้แล้วแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดจริงๆเหยียบขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงขาอ่อนก่อนที่จะถึงตรงก้นแล้วก็เริ่มโยกซ้ายขวาซ้ายขวา ย, วยาบุบย่า จวบยาบเป็นสเตปอย่างนี้และผมก็คิดว่ามะเขาแกล้งอะไรหรือเปล่าวัเนี่ยเขาจะไม่เห็นเราเลยหรือไงเนี่ยแล้วก็มายืนนวดให้เราอย่างนี้และบังเอิญจุดติง่งความคิดของผมมันคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าหรือว่าไม่ใช่มะวะเท่านั้นแหละอาการหนาวเย็นเหมือนตกไปอยู่ในบอ่อน้ําแข็งเย็นสั้นไปถึงส่วนตั้งแต่กลางกระห ม, ม่อมลงไปถึงปลายเท้าก็เกิดขึ้นกับผมขยับตัวไม่ได้เลย มันเหมือนมีน้ำเย็นน่ะลาดลงมาตั้งแต่หัวผมตั้งแต่ปลายนิ้วและสิ่งที่ตามมาก็คือ <c oughs> นั่นคือเสียงที่ผมได้รับฟังตอนนั้นผมทำอะไรไม่ได้ผมได้แต่หลับตาปีแล้วก็คิดในใจนมูณมูโมูนะโมูนะโมูตัสะผมท่องไม่ได้ท่องไม่จบเสียงดังนั้นยังไม่พอว่า ยังรู้สึกได้ว่ามีน้ำหยดใส่หลังผมแมแมแมโอ้โหและน้ำเย็นมากแล้วท้าของเขาก็ยังย่าอยู่กับขาของผมยัวยั่ ย, ย, ยักับเสียงที่ดังว่า <c oughs> ง่ายว่าวท่านใดเคยเกิดทันยุค ข, ของมิติมืดเสียงนี้หลอนกว่ามากมันดังเหมือนกับอยู่ในหัวของเราเลยได้ยินเต็มๆทั้งสองหูทำอะไรไม่ได้ สวดมนต์ก็ไม่ได้พูดตรงๆครับตอนนั้นน้ำตาไหลเลยและก็ได้แต่พูดขมบิบ ป, ปากไปอย่างเดียวว่าผมขอโทษครับผมขอโทษผมขอโทษ ผ, ผมปากหมาผมมันปากไม่ดีจริงๆครับผมขอโทษเสียงนั้นก็ยังดังอยู่สักพักหนึ่งน้ำหนักจากเท้าของเขาก็เริ่มจะเบาลงไปเรื่อยๆเบาลงไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยๆลอยขึ้นไปแต่เสียงก็ยังอยู่เสียงเหมือนกับหัวเราะเหมือนคนแก่ผมก็ไม่อากจะทราบได้ว่า ที่ผมเจอเน่ยเป็นตาของไอ้หน้าหรือเปล่าแต่มั่นใจได้เลยว่ามันน่ากลัวที่สุดเท่าที่เกิดมาเคยเจอผีอำมันนะจนสุดท้ายเสียงนั้นก็หายไปแล้วจูๆ่ๆความรู้สึกที่เหมือนกับเราเอามือไปจุ่มกับน้ําอุ่นก็เกิดขึ้นมาอีกมันก็ค่อยๆอุ่นตั้งแต่หัวขึ้นมาถึงปลายนิ้วจนไปปลายเท้าผมเริ่มขยับนิ้วได้ผมเอื้อมมือไปหาที่นอนอยู่ข้างๆผมไปหยิกมันอย่างเต็มแรงหยิกเท่าไรไมันก็ไม่ตื่น ยกเท่าไรมันก็ไม่ตื่นผมตัดสินใจหงายตัวเองขึ้นพร้อมกับกางแขนออกไปอย่างแรงเพื่อจะให้เป็นโดนพวกมันน่นแหละแล้วก็บอกว่าผีหลอกเว้ยผีหลอกเท่านั้นแหละได้ผลครับพวกมันตื่นกันหมดเลยแล้วก็บอกว่าไหนผีหลอกอะ่ะเออแล้วก็นอนต่อโอ้โหพระเจ้าแต่ยังโชคดีครับที่มะของไอ้นาทก็ตื่นขึ้นมาด้วยมะแกเปิดประตูมาบอกว่ามึงเป็นไรมึงเป็นไรผมก็บอกว่าผีหลอกผีหลอก และแกก็บอกว่ากูว่าแล้วปากมึง อ, อย่างนี้ไงแล้วทำยังไงเนี่ยจะนอนได้ไมั้ยเนี่ยแกถามผมผมก็บอกว่าขออนุญาตเปิดไฟนอนนะครับมะมะก็บอกว่าถ้าพวกมันไม่ด่ามึงมึงก็เปิดไปเถอะสรุปคืนนั้นผมก็ต้องเปิดไฟนอนแล้วก็ผมมาคิดย้อนดูอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่ผมเจอมันเป็นเพราะปากผมแน่ๆและบ้านนั้นเป็นบ้านของอิสลามมุสลิมผมเลยคิดว่าผมไม่สามารถจะสวดมนต์ได้หรอก ถึงจะสวดมนต์ได้ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าและนี่ก็คือประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมบันทึกไว้ในเมมของผมว่ามันเป็นการโดนผีอ่ำที่ฮาร์ดคอร์มากสำหรับผมก็อย่าลืมนะครับเวลาดื่มอะไรเข้าไปแล้วระวังเรื่องคำพูดด้วยนะครับคิดก่อนจะพูดนะครับเพราะบางครั้งกับสิ่งที่เรามองเห็นบางครั้งเราก็อาจจะหลบได้หรือไม่บางทีก็อาจจะหลบไม่ทันแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันหลบไม่ได้ เพราะเราไม่เห็นก็ขอให้ทุกท่านฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับจะสมน้ำหน้าผมก็ได้ผมไม่ว่าหรอกครับเอาไ ว, พว้พบกันนคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ